ธรรมบทแปลเรื่องสุขะสามเณรภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้สพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพสุขะสามเณรพระธรรมเทศนานีว่าอุทกังหิณยันติเนติกาอุสุการาณมยันติ เตชะนังทารุงนมะยันติตัชกาอัตานังธระมยันติสุภาตาอันคนไก้น้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนเรื่องคันทเศรษี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 จำเดิมแต่การนั้นมาคันทากุมาร น, นั้นได้ปรากฏนามว่าคันทาเศรษีครั้งนั้นผู้รักษาเรือนกลางของเศรษฐีนั้นได้เปิดประตูห้องสำหรับเก็บทรัพย์ค้นออกมาแล้วชี้แจงว่านายทรัพย์นี้ของบิดาท่านมีประมาณเท่านี้ของบุราพาบุรุษ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 อันแล้วด้วยแค่ผลึกเหมือนกันจ่ายซับแสนหนึ่งให้ทำบันลังสําหรับนั่งจ่ายซับแสนหนึ่งให้ทำถาดสาหรับใส่โภชนะจ่ายซับอีกแสนหนึ่งให้ทำมนดบในที่บริโภคจ่ายซับแสนหนึ่งให้ทำเตียงรองถาดภาชนะให้สร้างศีหาบรรชรไว้ในเรือน ด้วยทรัพย์แสนหนึ่งเหมือนกันได้จ่ายทรัพย์พัหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของตนจ่ายทัพย์อีกพันหนึ่งแม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นแต่ในวันเป็นได้สั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่โภชนะในวันบริโภคพัดนั้นท่านเศรษฐีได้สละกทรัพย์แสนหนึ่ง ตกแต่งพระนครใช้คนเที่ยวตีกลองประกาศว่าได้ยินว่ามหาชนจงดูลีลาแห่งการบริโภคพัดของคันท้าเศษฐีนังนี้มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกันแล้วคือแห่กันมาดูฝ่ายคันท้าเศษฐีนั้นนั่งบนแผ่นกระดาน อันมีค่าแสนหนึ่งในสุมาบน้าอันมีค่าแสนหนึ่งอาบน้าด้วยหม้อน้ำหอมสิบหกหม้อเปิดสีหาบรรจรนั้นแล้วนั่งบนบัหลังนั้นกาณนั้นพวกคนใช้วางถาดนั้นไว้บนเตียงรองนั้นแล้วคโคตโภชนะอันมีค่าแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐินั้น ท่านเศรษฐีทันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้วบริโภคโภชนะนั้นอยู่ด้วยสมบัติเห็นป่านนี้ตอนคนบ้านนอกกระหายไหนพัดของเศรษฐีโดยสมัยอื่นคนบ้านนอกผู้หนึ่งบรรทุกฝืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมย่อม เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนสเสบียงอาหารสำหรับตนไปถึงพ ร, รณะณกรแล้วก็พักอยู่ในเรือนของสหายก็การนั้นเป็นวันเป็นชนทั้งหลายเที่ยวตีกลองประกาศในพรรณกรว่ามหาชนจงดูลีลาแห่งการบริโภคของท่านกันตาเศรษฐีคระนั้นสหายจึงกล่าวกับ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 แม้มหาชนก็ได้พากันขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่สายชาบ้านนอกพอได้สูดกลิ่นพัดก็พูดกับสายชาวเมืองว่าฉันเกิดกระหายในก้อนพัดในถาดนั่นแล้วล่ะเพื่อนสายชาวเมืองเพื่อนอย่าปรารอบก้อนพัดนั้นเลยเราไม่อาจจะได้หรอกชาวบ้านนอกเพื่อนเอย๋ย ก็เมื่อไม่ได้ก็จะไม่เป็นอยู่ต่อไปล่ะสหายชาวเมืองนั้นเมื่อไม่อาจห้ามสายชาบ้านนอกนั้นไว้ได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทเปล่งเสียงดังสามครั้งว่านายฉันไหวท่านก็เมื่อคันตาเศรษฐีถามว่านั่นใครเขาจึงตอบว่าผมครับนายเศรษฐีจึงถามว่านี่อะไรกัน ส่ยชาวเมืองคนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้เกิดกระหายในก้อนพัดในถาดของท่านขอท่านกรุณาให้ก้อนพัดก้อนหนึ่งเถิดเศรษฐีไม่อาจได้รอกสายชาวเมืองคำของเศรษฐีเพื่อนได้ยินหมเพื่อนชาวบ้านนอกฉันได้ยินแล้วเพื่อนก็แต่ว่าถ้าเมื่อฉันได้จะเป็นอยู่เมื่อไม่ได้ ามตายจะมีสหายชาวเมืองจึงร้องขึ้นอีกว่านายได้ยินว่าชายคนนี้เมื่อไม่ได้ก็จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดคันทัศน์เศรษฐีธรมบูจริญชื่อว่าก้อนพัดนี้ย่อมถึงค่าร้อยหนึ่งก็มีสองร้อยก็มีผู้ใดผู้ใดย่อมขอเมื่อให้แก่ผู้นั้นผู้นั้น ฉันจะบริโภคอะไรเล่าสายชาวเมืองนายชายคนนี้เมื่อไม่ได้จะตายขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิดกันทัศเศรษฐีเขาไม่อาจได้ปเปล่าก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จะไม่เป็นอยู่ใช้ชายนั้นจงทำการรับจ้างในเรือนของฉันสามปีฉันจะให้ถาดพ้าแก่เขาถาดหนึ่ง ตอนชาวชนบทยอมทำงานรับจ้างในบ้านเศรษฐีชาบนอกฟังคำนั้นแล้วจึงพูดกับสายว่าอย่างนั้นเอาละเพื่อนนันนี้แล้วได้ละบุตรและปรยาเข้าไปสู่เรือนของเศรษฐีด้วยหมายใจว่าจะทำการรับจ้างตลอดสามปีเพื่อประโยชน์แก่พัด นนเขาเมื่อทำการรับจ้างได้ทํากิจทุกอย่างโดยเรียบร้อยการงานที่ควรทําในบ้านในป่าในกลางวันกลางคืนได้ปรากฏว่าเขาทําเสร็จเรียบร้อยเมื่อมหาชนเรียกเขาว่านายพัฒนพัตพติกะคำนั้นได้ปรากฏไปทั่วพระนคร ในการต่อมาเมื่อวันรับจ้างของนายพัตตะพัติกะครบบริบูรณ์แล้วผู้จัดการพัดเรียนกับเศรษฐีว่านายวันรับจ้างของนายพัตตะพัติกะครบบริบูรณ์แล้วเขาทำการรับจ้างอยู่ตลอดสามปีทำกรรมยากที่คนอื่นจะทำได้แล้วการงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหาย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 แกนายพัตตะพติกาณนั้นเถิดก็แลคกรันสั่งแล้วจึงสั่งแม้กชนที่เหลือเว้นปรยาที่เป็นที่รักนามว่าจินดามณีคนเดียวว่าวันนี้พวกเจ้าจงแวดล้อมนายพัตะพัติกาณนั้นเถิดเหล่าแบบนี้แล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้แกนายพัตะพัติกะนั้น นายพัตต์พติกะเตรียมบริโภคพัในายพัตต์พัติกะนั่งบนแผ่นกระดานนั้นในซุ้มนั่นแหลอาบน้าด้วยน้ำสำหรับอาบของเศรษฐีนุ่งผ้าสาดกสำหรับนุ่งของเศรษฐีนั่นแหละแล้วนั่งบนบัลลังก์ของเศรษฐีนั้นเหมือนกันแม้ท่านเศรษฐี ก็ใช้ให้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระณากรว่านายพระตะพัติกะทำการรับจ้างตลอดสามปีในเรือนของคันตาเศรษฐีได้ถาดพัดถาดหนึง่งขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขามหาชนได้ขึ้นเตียงซ้อนเตียงดูอยู่ ที่ที่ชายชาวบ้านนอกแลดูแลดูแล้วก็ได้ถึงอาการวันไหวพวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายพระตะพติกานั้นพวกคนใช้ยกตาดพัดถาดหนึ่งตั้งไว้ข้างหน้าของนายพระตะพติกานั้นแล้วครั้งนั้นในเวลาที่นายพัะตะพติกานั้นล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันตมาศออกจากสมาบัติในวันที่เจ็ดแล้วไครโกรนอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่พิขาจารในที่ไหนนอแลก็ได้เห็นนายพัตะพัติกะแล้วครั้นั้นท่านพิจารณาต่อไปว่านายพัตตะพัติกานี้ ทำการรับจ้างถึงสามปีจึงได้ถาดพัดศรัทธาของเขามีอยู่หรือไม่หนอใไกรกรวนไปก็ทราบว่าศรัทธาของเขามีอยู่จึงคิดไปอีกว่าคนบางพวกถึงมีศรัทธาก็ไม่อาจเพื่อทำการสงเคราะห์ได้นายพระตาปฏิกะนี้จะอาจหรือไม่หนอเพื่อจะทำการสงเคราะห์เรา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 นั่นนั่นแหละตอนนายพัตตาพติกะถวายพัดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็นายพัตตาพัติกะนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคิดว่าเราได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึงสามปีก็เพื่อประโยชน์แก่ถาดพัดถาดเดียวเพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อน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 แม่ก้อนเดียวในปากบรรเทาความอยากแล้วยกถาดพัดขึ้นเองทีเดียวไปสู่สำนักของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าให้ถาดในมือของคนอื่นแล้วไหว้ด้วยเบญจางค้าพระดิษฐ์แล้วเอามือซ้ายจับถาดพัดเอามือขวาเกลียพัดลงในบาทของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้านั้นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า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 ตอนทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมากจึิงอยู่ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่งชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือทานนั้นย่อมมีผลมากนายพัะตาพติกานั้นเมื่อทำอย่างนั้นจึงได้ถวายหมดวายอีกแล้วเรียนว่าท่านกอรับ ผมอาศัยถาดพัดถาดเดียวต้องทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึงสามปีได้เสวยทุกแล้วบัด น, นี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่บังเกิดแล้วเถิดขอกระผมจึงมีส่วนแห่งธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเถิดพระปัจเจกกรบพุทธชา้ากล่าวว่าขอจงสมคิดเหมือนแก้วสารพัดนึก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 ความดำริทั้งปวงจงเต็มเหมือนมณีโชติรสฉะนั้นดังนนี้แล้วพระบัจเจกบุทเชา้าจึงนด้อธิษฐานว่าขอมหาชนนี้จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงภูเขาคันตมาตเติดก็ได้ไปสู่ภูเขาคันตมาตโดยทางอากาศแล้วถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่นั่นแหละ พระปัจเจกพุทธเจ้าไปผู้เขากัญทมาทแล้วได้แบ่งบินดาบานั้นถาวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆรูปได้รับเอาพัดเพียงพอแก่ตนแก่ตนแล้วใกลๆไม่พึงคิดว่าบิณฑบาตเล็กน้อยจะพาเพียงได้อย่างไร ด้วยว่าอาจินไตยสี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในอจินไตยสี่เหล่านี้นี้เป็นปัจเจกับพุทธวิสัยแหละตอนพันทัเศรษฐีแบง่งทรัพย์ให้ในายพัตตะัติกะมหาชนเห็นบินดบาต ท, ที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าแบ่งถวายแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ก็ได้พา กันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้วเสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียงอัศนีบาทคันทศเศรีได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงคิดว่านายพัตนาพัติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้เพราะเหตุ น, นั้นมหาชนนี้เมื่อทำการหัวระยะจึงได้อื้อเฉาขึ้น ท่เศรษฐีนั้นทรงคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้วคนเหล่านั้นมาแล้วบอกว่านายขรับธรรมดาผู้ทรงสมบัติย่อมเป็นเห็นปานนี้เด่ น, นี้แล้วจึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วนั้นเศรษฐีฟังเรื่องนั้นแล้วเป็นผู้มีสรีระอันปีติมีวันณะห้าถูกต้องแล้วจึงกล่าวว่า น่าสะใจจริงนายพระตะพัติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแล้วเราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นป่านนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งไรได้เลยในนี้แล้วจึงเรียกนายพระตะพัติกะนั้นมาแล้วถามว่าได้ยินว่าเธอทำกรรมช่วนี้จริงหรือก็เมื่อเขา ยืนยันรับตังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเอาเถิดเธอจงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งแล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้างนายพตะพติกะนั้นได้ทำตามนั้นแล้วแม้เศรษฐีก็ได้แบ่งครึ่งทรัพสมบัติอันเป็นของของตนให้แกนายพระตะพติกะนั้นตอน สัมปทาสี่อย่างจริงอยู่ชื่อว่าสัมปทามีสอย่างคือวัตถุสัมปทาปัจจัยสัมปทาเจตนาสัมปทาคุณติเรกสัมปทาในสัมปทาคือความถึงพร้อมทั้งสี่อย่างนั้นพระทักกิเนยบุคคลคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามี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 ชื่อเจตนาสัมปทาส่วนความที่พระทักกิในยะบุคคลออกจากสมาบัติชื่อว่ากุณาติเรกสัมปทาก็สัมปทาทั้งสอย่างคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ขี่นาศเป็นทักกิในยบุคคลปัจจัยที่เกิดแล้วโดยทำด้วยการทําการจ้างได้แล้วเจตนาบริสุทธิ์ในสามการ พระปัจเจ ก, กับพระเชา้าผู้ออกจากสมาบัติเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณสําเร็จแล้วแก่นายพระตับพติกะนี้ด้วยอนุภาพแห่งสัมปทาสีนี้นายพระตับพติกะจึงบรรลุมหาสมบัติในตันตาเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นนายพรตพับพติกะนั้นจึงได้สมบัติจากสํานักของเศรษฐีกรณการต่อมา แม้พระราชาทรงสลับกรรมที่นายพระตะพติกานี้ทำแล้วจึงได้รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้าแล้วพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่งทรงรับส่วนบุญทรงปอบพระไทยพระราชทานโภคเป็นนันมากแล้วก็ได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้มีชื่อว่าพระตะพติกะเศรษฐี พัตตะพัติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันเธเศษฐีกินดื่มร่วมกันน้ำรงอยู่ตลอดอายุแล้วจุติจากอันดภาพนั้นแล้วได้บังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์หนึ่งพุทธันดอนในพุทธุปปะบาทการนี้ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปตากของพระสารีบุตรเทระ ในเมืองสาวัตถีตอนนายพัตตพัติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถีครั้งนั้นได้คันบริหารแล้วโดยล่วงไปสองถึงสามวันก็เกิดแปลต่องว่าโอ้หนอเราถวายโภชนะมีรถร้อยชนิดแก่พระสารีบุตรเทระพร้อมด้วยภิกษุ500รูป นุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วถือขันทองนั่งอยู่นะท้ายอาศนะพึ่งบริโภค พ, พัดที่เหลือเดนของพิสุจ์ทั้งหลายนั้นดังนี้แล้วก็ได้ทำตามความคิดนั้นนั่นแหละมันเท่าความแปลต่องแล้วนางแม้ในการมงคลอื่นๆถาวายทานอย่างนั้นเหมือนกันคลอดบุตรแล้วในวันตั้งชื่อ จึงเรียนพระเทราบ่าขอท่านจงให้สิกขาบทแก่ลูกชายของที่ฉันเถิดท่านผู้เจริญพระสาริบุตรเทระถาม่าเด็กนั้นชื่ออะไรเมื่อมารดาของเด็กเรียนว่าท่านผู้เจริญจาเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิขึ้นชื่อว่าทุก์ไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้เพราะฉะนั้นกลาว่า สุขักุมาร น, นั่นแหละจะเป็นชื่อของเด็กนั้นท่านพระสารีบุตรจึงถือเอาคำนั่นแหละเป็นชื่อของเด็กนั้นให้สิกาบทแล้วในการนั้นความคิดได้เกิดแก่มารดาของเด็กนั้นอย่างนี้ว่าเราจะไม่ทำลายอัตยาศัยของลูกชายของเราก็แม้ในการมงคลทั้งหลาย มีมงคลเจาะหูเด็กนั้นเป็นต้นนางก็ได้ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายกุมาร น, นั้นในเวลามีอายุเจ็ดขวบก็พูดว่าคุณแม่ผมอยากออกบวชในสำนักของพระเตระนางจึงตอบว่าดีละพ่อแม่จะไม่ทำลายอัตยาศสัยของเจ้าเดินี้แล้วก็จึงนิมนต์พระเตระให้ท่านฉันแล้ว จึงเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกชายของฉันอยากบวชในเวลาเย็นจะนําเด็กนี้ไปสู่วิหารเธอส่งพระเทราไปแล้วให้ประชุมพวกญาติแล้วกล่าวว่าก็ในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นเครือขัดพวกเราจะทํากิจที่ควรทําในวันนี้แหละเหนนี้แล้วจึงแต่งตัวลูกชาย นำไปวิหารด้วยสิริโสภาคอันใหญ่แล้วมอบถวายแก่พระเทระฝายพระเทระกล่าวกับสุขากุมานนั้นว่าพ่อธรรมดาบรระชาทำได้โดยยากเจ้าจะอาจเพื่ออภิรมย์อย่างนั้นหรือเมื่อเด็กชายสุขากุมานตอบว่าผมจะทำตามโอวาทของท่านครับพระเทระ จึงให้กรรมฐานให้บวชแล้วแม้มาดาบิดาของสุขากุมา น, นั้นเมื่อทำสการะในการบรรพชาก็ถวายโภชนะมีรถร้อยชนิดแก่พิสุงสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในภายในวิหารนั่นเองตลอดเจ็ดวันแล้วก็กลับสู่เรือนของตนในวันที่แปดพระสารีบุตร เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตจึงได้ทํากิจที่ควรทําในวิหารแล้วและให้สามเณรถือบาตรและจีบอลเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตตอนสามเณรฝึกตนสามเณร น, นั้นเห็นเหมืองน้ําเป็นต้นในระหว่างทางจึงถามพระเทระ ดุสามเณรบัณฑิตแม้พระเทระก็พยากรณ์แก่สามเณรนั้นอย่างนั้นเหมือนกันสามเณรฟังเหตุ น, นั้นแล้วจึงเรียนถามพระเทระว่าถ้าท่านพึงรับบาตรและจีบอลของท่านใช้กระผมจึงกลับกรับเมื่อพระเทระไม่ทําลายอัตยาัสของสามเณรนั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น จงนำบาดและจีวรของฉันมาเมื่อท่านรับบาดและจีวรไปแล้วสามเณรก็ไหว้พระเถระเมื่อจะกลับจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับเมื่อท่านนำอาหารมาเพื่อผมขอจงนำโภชนะมีรถร้อยชนิดมาพระเถระก็ฉันจะได้โภชนะนั้นจากที่ไหนล่ะสามเณรเมื่อไม่ได้ด้วยบุญของท่าน ก็จะได้ด้วยบุญของผมครับคราวนั้นพระเทระให้ลูกกุญแจแก่สามมณเฑนนั้นแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินดาบาสามเณเ น, น, นั้นไปวิหารแล้วเปิดท่องของพระเทระเข้าไปแล้วปิดประตูนั่งอย่างยานลงในกายของตนด้วยเดชแห่งคุณของสามมณเฑ น, นนั้นอาสนะของเท้าสั ก, กะ แสดงอาการร้อนแล้วท้าวส ก, กะพิจารณาดูว่าด้วยเหตุอะไรหนอเห็นสามเณรแล้วทรงดำริว่าสุกศสามเณรถวายจีวรแก่อุปชาแล้วกลับวิหารด้วยคิดว่าจะทำสมณธรรมควรที่เราจะไปในที่นั้นจึงรับสั่งเรียกท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วท่งส่งไป ด้วรัตว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปจงไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไปท้าวมหาราชทั้งหลายกระทําตามนั้นแล้วก็พากันรักษาอยู่โดยราบท้าวส ก, กะทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่าพวกท่านจงยึดวิมานของตนของตนหยุดไว้ก่อนแม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็กระทำตามนั้นแล้วแม้เท้าสักาเองก็ส่งรักษาอยู่ที่สายอยู่พิหารสงบเงียบปราศจากเสียงสามเณรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งบรรลุมรรคและผลสามแล้วประเตระอันสามเณมรกล่าวว่าพึงนำโพชนะมีรสร้ยชนิดมา แต่นี้แล้วก็มีความคิดว่าอันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครน้อแลเมื่อพิจารณาดูอยู่ก็เห็นตระกูลอุปตากผู้สมบูรณ์ด้วยอัยาศัยใสตระกูลหนึ่งจึงไปในตระกูลนั้นอันชนเหล่านั้นมีใจยินดีว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านมาที่นี้ดีจริงๆจึงรับบาทนิมนให้นั่ง ถวายยากูและของกบฉันอันเขาเชิญกล่าวธทรรมชั่วเวลาพัดจึงกล่าวสารณียธรรมมถาแกชนเหล่านั้นกำหนดการแล้วจึงจบเทศนาตอนสุกาสามเนเนบรรลุพระอรหันตที่นั้นชนทั้งหลายถวายโภชนะมีรสร้ายชนิด แกพระเทระนั้นเห็นพระเทระรับโภชนะนั้นแล้วพระสงฆ์จะกลับจึงเรียนว่าขอให้ท่านฉันเถิดกรับพวกผมจะถวายโภชนะแม้อื่นอีกจึงให้พระเทระฉันแล้วก็ถวายจนเต็มบาทอีกพระเทระรับโภชนะนั้นแล้วก็รีบไปวิหารด้วยคิดว่า สามเณรจะหิววันนั้นพระศ า, ศาสดาเสด็จออกประทับนั่งในพระคันทั ก, กุดีแต่เช้าตรู่ทรงรำพึงว่าวันนี้สุขาสามเณรให้บาตรและจีวรของอุปชาแล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมกิจของเตอเสร็จแล้วหรือ พระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้งสามเตี่ยวอันสามเณรบรรลุแล้วจึงทรงพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าสุขะสามเณรนี้จะอาจไหมหนอเพื่อจะบรรลุพระอรหันตในวันนี้ส่วนสารีบุตรรับพัดแล้วก็รีบออกด้วยความคิดว่าสามเณรจะหิวก็ถ้าเมื่อสามเณร น, นี้ยังไม่บรรลุพระอรหันต สาหรีบุตรจะนำพัดมาก่อนอันตรายจะมีแก่สามเณร น, น, นี้เราควรจะไปยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูครั้นทรงดำริ ด, ดังนี้แล้วจึงเสด็จออกจากพระกันทกุฎีพระทับ ย, ยืนยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูฝ่ายพระเทระก็นำพัดมาครั้นพระาศาสดาตรัส ถามปัญหาสีข้อกับพระเทรานั้นโดยนยัยที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนแล้ในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหาสามเณรก็บ ร, ร, าราลลุพระอรหัสต์แล้วพระศาสดาตรัสเรียกพระเทระมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรจงไปเถิดจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเทระไปแล้ว จึงเ้าประตูสามเณรออกมาทำวัดแกอุปชาแล้วเมื่อพระเทระบอกว่าจงทำพัฒกิจก็รู้ว่าพระเทระไม่มีความต้องการด้วยพัดสามเณรเป็นเด็กมีอายุเจ็ดขวบบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนั่นเองตรวจตาดูที่นั่งอันตํำทำพัฒกิจแล้วก็ล้างบาตร ในการนั้นท้ามาราสีองค์ก็พากันเลิกการรักษาถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปล่อยวิมานแม้ทา้าวสกกะกทรงเลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์ปรากฏคล้อยเลยท่ามกลางฟ้าไปแล้วทีเดียวปิสุทลายพากันพูดว่าการเย็นปรากฏสามเณรเพิ่งทำพัตกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เอง ทำไมเนาวันนี้เวลาเช้าจึงมากเวลาเย็นจึงน้อยพระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าพิสุททั้งหลายบัด น, นี้เธิทั้งหลายนั่งประชุมกันเล่าเรื่องอะไรน้อเมื่อพิกสุทั้งหลายตูลนว่าพระชกฆ่าวันนี้เวลาเช้ามากเวลาเย็นน้อยสามเณรพึ่งฉันพัดเสร็จเดี๋ยวนี้เองก็แลเป็นฉไนะ พระอาทิตย์จึงปรากฏคลอยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในเวลาทำสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายย่อมเป็นเช่นนั้นนั่นแหลก็ในวันนี้พระมหาราชสี่องค์ยึดอารัคขาไว้โดยรอบพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่เท้าสกกะ ทงยึดอารกาที่สายอยู่ถึงเราก็คอยอารกาอยู่ที่ซุ้มประตูวันนี้สุกศสามเณรเห็นกลนไกน้ำข้าวเมืองช่างสอนดัดสอนให้ตรงช่างถากถากท่ พ, พระสำรักทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้วฝึกต้นอยู่บรรลุพระอราัแล้วดังนี้แล้วตรัพระคาถานี้ว่า อุทกังหิณยันติเนติกาอุสุการานามายันติเตชนังหาลุงนามายันติตัจากาอัตานังธรมยันติสัพพตาแปลว่าอันคนไกน้ําทั้งหลายย่อมไกน้ําช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างตากทั้งหลาย ย่อมตากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุปาตาแปลว่าผู้สอนง่ายทั้งหลายหมายความว่ า, าเป็นคนบ้า ง, ง่ายคือพึงโอวาทพึงอนุสาดโดยสะดวกคำที่เหลือมีนัยยะดังกล่าวแล้วในครั้งก่อนนั่นแหละในการจบเทศนาส่วนเป็นอันมาก บรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วดันงนี้แหละเรื่องสุขสามเณร